ลูกศิษย์ท่านหนึ่งยืนยันว่าหลวงปู่ท่านกล่าวว่าในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่บุญยริศปันฑิตโตที่พักสงสวนทิพจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่บุญยริศเป็นศิษย์องค์สําคัญของหลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งพระละโยมในวงพระทุดงกรรมฐานรู้จักท่านดีเป็นอย่างยิ่ง และภายหลังยังได้เรียนกรรมฐานกับท่านพ่อลีธรรมัทโรซึ่งเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนาองค์สำคัญของไทยอีกรูปหนึ่งหลวงปู่บุญยริ์ในอดีต ท, ท่านเป็นนักศึกษาปริญญาจากต่างประเทศเป็นข้าราชการที่มีอนาคตสดใสแต่ลาออกมาบวช ด, ด้วยความเลื่อมใสในปฏิปทาพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านออกบวชและปฏิบัติแบบถวายชีวิต ออกธุดงตามป่าเขาโดยตลอดด้วยความที่ท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกและการทาสมาธิวิปัสสนาจึงได้รับนิมนต์ให้ทาหน้าที่เป็นพระธรรมทูตไปเผยแพระศา ส, สนาที่ออสเตรเลียตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2516ได้สอนการปฏิบัติภาวนาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งได้เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ชาวต่างชาติเรียนเข้าใจง่ายขึ้นด้วย ท่านอยู่เผยแพร่ที่ออสเตรเลียประมาณส0สิกว่าปีจึงกลับมาจำพรรษาที่พักสงส่วนทิพย์จังหวัดนนทบุรีจนถึงปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่มีข้อวัดปฏิบัติสมบูรณ์แบบเป็นเนื้อนาบุญที่หาได้ยากยิ่งในยุค ป, ปัจจุบันองค์หนึ่งก็ว่าได้